ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่านั้นใตร่มพระปุธิยานได้นำเสนอท่านผู้ฟังเรื่องพระพระุทธคุณสืบต่อกันมาโดยลาดับก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะอธิบายประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระพุทธสัตว์ยังไม่ได้สัสรุ แล้วก็นำเสนอหเห็นเรื่องพระคุณของพระองค์ที่เรานำมาสวดสรรเสริญกันแล่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่เราสวดสรรเสริญกันโดยไม่ได้ทำความเข้าใจก็มีอยู่ไม่น้อยดังนั้นในที่นี้ก็จะสรุปถึงคํากล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณตามที่พระศรีสุนทรบาหาน้นยอจารยางกูลได้ประพันธ์เอาไว้ แล้วก็นํามาสวดกันโดยสัพันญวิธีประการแรกท่านบอกว่าองค์ใดประสัมพุทธสุวิสุทธสันดานคำว่าสัมพุทธนั้นแปลว่าท่านที่ศัตรูรีสัตรูชอบด้วยโรงเองเราอาจจะเรียกว่าอารหันตสมาสัมพุทธะหรือประสัมพุทธะก็แล้วแต่จะเรียก แต่โดยความก็คือจัตสรูด้ดีจัตสรูชอบโดยพระองเองเพราะคําคำว่าจัตสรู้นั้นเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในพระทยของพระองค์หลังจากได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งเราล่าวโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ในหลวงเข้าใจว่าคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นคำเรียกในตอนหลังในสมัยนั้นก็คงไม่มีชื่อเรียกหรอก เป็นไว้แต่ช่วงล่างๆก็จะเรียกตามชื่อที่มีเรียขานกันอยู่ในสมัยนั้นแต่พอสัจ ส, สรูแล้วก็สรุปเป็นมรรคคือทางสำหรับดําเนินแปดประการว่าเป็นเหตุให้โปร่งได้ศจ ส, สรุปก็เรียกมรรคที่มีองค์แปดประการนั่นเองบ่าอริยมรรค ตมรรคริงๆก็มีองค์เดียวคือส ม, มาญาณนะแปลว่าความรู้ในทางที่ชอบซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ปรุงได้ศสัตย์สุขและเมื่อได้สตย์สุขแล้วก็ทําให้เกิดวิมุตต์คือพระทัยของหลวงหลุดพ้นจากสรรพกิเลส ท, ทั้งปวงจะเรียกชื่ออย่างไรก็ได้ป่อยชื่อที่เราเรียกนั้นก็ปรากฏในสถานที่ต่างๆเป็นนันมาก เวลาพูดถึงพระพุทธเจ้ามักจะพูดถึงการละกิเลสและวาสนาวาสนาก็คือสิ่งที่ติดเป็นลักษณะ น, นิสัยบางครั้งบางราวคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองีลักษณะ น, นิสัยเป็นอย่างไรเป็นความคุ้นเคยที่ทำกันจนชินบางทีก็เป็นปกลิ ก, กลภาพของบุคคลเหล่านั้ น, ล, นลักษณะเรานี้พระอรหันต์ทั่วไปนี่ตันละไม่ได้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าทันละได้รอยจึงพูดว่าละได้ทั้งกิเลสและวาสนาแต่ในบทประพันธ์นี้ใช้คาว่าสุวิสุทธสันดานคือหมายความบาพระไทยของโปรงนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มที่โดยเนื้อหาสาระก็คือปราศจากทั้งกิเลสแล้วก็ปราศจากทั้งวาสนาปราศจากทั้งความทุกข์ แต่โดยภาษาทั่วไปที่เรานิยมใช้คือดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกนั่นก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์นั่นเองแล้วก็ต่อไปก็อธิบายนะฮะว่าตัดมูลกิเลสสมานบอกมีหมดไม่มองมัวกิเลสสมานนั้นก็กิเลสที่จะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามนะฮะที่จริงกิเลสมันก็เป็นมารเดียวน แ, แต่พอพูดถึงคําว่ามารในกรอบมันขยายกว้างออกไป เพียงแต่ว่าในที่นี้เน้นเฉพาะกิเลสสมาธแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆก็คือเขาจัดมานได้ครบทั้งห้าประการกิเลสสมาธนั้นเป็นตัวหลักไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามก็มีความเกี่ยวเนื่องสืบเนื่องมาจากกิเลสในที่นี้ท่านจึงเน้นที่การตัดมูลกิเลสสมานก็คือตัดรากของอวิชชา เพราะากิเลสเนี่ยมันมีรากง่ามาจากอวิชชาจะเรียกชื่อยังไงก็ตามเราเรียกถึงพันห้าตัหาร้อยแปดเรียกในรายละเอียดเรอยิงจำยากนะยังสับสนมากเพราะถ้าโดยทั่วไปเราก็ไม่เคยพูดหรอกพูดเรื่องโลกกดลงก็พอแล้วมันครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหอะแต่บางทีก็ไม่ได้พูดยาวขนาดนั้นพูดจงรู้ก็ไม่รู้่อสามารถสื่อสารติดต่อให้เกิดความเข้าใจได้ไง่าย พระจาการสังเกตว่าสังคมพุทธเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาค้นคว้าศาสนาแนวที่ลึกซึ้งตัวอนพระรูปใดก็ตามที่พูดธรรมะค่อนข้างจะลึกซึ้งเนี่ยมันจะมีคนสนใจฟังทันหน่อยแต่ถ้าพูดเรื่องภาษาชาวบ้านชาวบ้านธรมนธรมดาธรรมดา คือถ้าเราซึ่งเป็นนักศึกษาธรรมะมาฟังแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระแต่ว่ามันก็ครอบคลุมพื้นเพจริตอัธยาศัยของคนทั่วไปไว้แล้วคนทั่วไปก็จะชอบวันรัฐที่เด่นที่ดังในทางพูดนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องที่ท่านนํามาพูดนั้นจะเป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้านภาษาชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็มาพูดโดยสมัสนวนแบบชาวบ้าน ถึงลักษณะเหล่านี้บางทีก็มีปัญหาคือพระเราเราเรียกว่ามีแบบครูเวลาในหมู่พระหรือว่านักฝังธรรมะด้วยกันก็จะรู้ว่าใครเทศแบบครูหรือว่าเทศแบบแบบลูกทุ่งก็ได้นะฮะคือจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเป็นเรื่อง ส, บสมบัติสมุทรโมหานก็พูดไปแต่ถ้าแบบครูแล้วเนี่ยเขาไม่นิยมอย่างนั้น พรวิธีดูกันเทศแบบครูก็คือดูพร mm hmm. ะธรรมเทศนาประเภทที่เรียกว่ามงคลวิเศษกระถาที่เทศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพิเศษเนี่ยนั่นคือมีลักษณะกันเทศแบบครูหมายความมีลำดับขั้นตอนมีบทขึ้นต้นมีบทขยายมีบทสรุปสนบนมบูรณบาลีว่าอุเทศนิเทศปฏินิเทศ แล้วคนฟังก็จะรู้ว่าท่านผูเนี้เข้าใจเนื้อหาสาระที่เทศหรือที่แสดงหรือไปแต่ว่ามันก็เทศระดับมงคลมิเศษกถาประเทศในที่ทั่วไปอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนอนว่าเอากันเทศที่แต่งในกรุงเทพโดยพระเถระผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้ในเรื่องศาสนาลึกซึ้งแล้วท่านกับเทศกับคนระดับปัญญาชน ปรคร่ำวอดอยู่กับวัดฟังธรรมะอยู่ตลอดมาถึงแม้บางคนจะไม่มีความลึกซึ้งนะฮะแต่ท่านก็ฟังด้วยความศรัทธาเรื่องใจบางทรานแล้ ก, ก็เทศได้ในส่วนกลางแต่ไปเทศท้องถิ่นชนบทเนี่ยมันไกลวิถีชีวิตเขาเหลือเกินเพราวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยนะคือถ้าเราไปถึงชนบทมันก็ต้องนึกถึงเรื่องอบายยมุก เรื่องที่เขาควรมดเว้นในอย่างน้อยก็ขอสักสามอย่างความไม่ค่อยขยันในการทำงานการตกเป็นท่าสิ่งเสร็์ติดให้โทษการเล่นการพนันถึง่งหมายความว่าชนบทเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้สิ่งที่เราวิตกกัวงวลว่วงใหญ่กันก็จะลดจะจางจะคลายลงไปเอง แต่ถามว่าตรงนี้มันก็ตัดกิเลสไหมมันก็ไม่ถึงกับตัดกิเลสแร้วแต่ลดความโลภความหลงลงไปน้อยใ ห, ใ, หให้น้อยลงหน่อยเพราะอะไรเพราะคนเสพสิ่งเสพติดก็ดีคนเรื่องการพนันก็ดีเแต่เราต้องคนเกียร์คราดทางการงานก็ดีก็เป็นความโลภหลงคืออยากได้แบบกูงโง่คนเกียร์คราดทางการงานแต่ถ า, ถามว่าอยากรวยไหมก็อยากรวย แต่ว่าแกก็ขี้เกียจเพราะในที่สุดแกก็ออกมาในรูปของการเสี่ยงโชคเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นสลากอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆแ้วก็เวียนเข้าไปสู่การพ น, นันแต่าการพ น, นันก็ยิ่งโลภหลงที่มากยิ่งขึ้นเรายกตัวอย่างดูหวยนะฮรัหวยนี่ก็สอบถามก็ดูว่ามันมีเลขสามตัว ถ้าส ต, ตัวก็หมายความมาเก้าร้อยเก้าสิบกาเล็กก็ศูนย์สามตัวในคนคงไม่แทงไงนะก็ตซสว่าก็ประมาณสามประมาณเก้าร้อยเก้าสิบแปดหรือเก้าสิบเจ็ดก็ได้นะมันถูกอยู่หนึ่งประตแตัวนองไปผิดอยู่ตั้งเก้าร้อยเก้าสิบแปดหรือเก้าสิบเจ็ดประตแต่คนไม่ยังเล่นนะก็ถือเป็นเรื่องที่แปลก นั่นก็แสดงให้เห็นว่าบนเส้นทางของปัญญาความบริสุทธิ์ที่เป็นพระพุทธคุณนั้นเป็นหลักการที่เราสามารถดำเนินไปได้เวลา น, นี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้สังเกตข่าวคราวที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามีการพูดเผยแพร่อยู่สอง สองแนวไม่แน่ใจว่าอะไรกอดอะไรหลังเพราะได้ยินต่างกรรมต่างวรรได้ยินจากดรุ่งแก้วแดงในขาธิการสภาการสาสารณแห่ง ช, ชาติใช้คำว่าคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขแต่ก็ได้ยินจากดรสิปนนเกตุทัตท่นานใช้คำว่าคนดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขก็สรุปว่าองค์ธรรมนั่นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าอะไรอยู่หน้าอยู่หลังอาตมาฟังแล้วนี่เข้าใจในเชิงเนื้อหาประวันหมายถึงอะไรแต่ท่านที่อธิบายท่านเข้าใจเป็นตรงหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็พยายามศึกษาติดตามว่าข้อความลันนี้ท่านได้มาจากไหนก็ทราบว่าก่อนที่จะทำการปฏิรูปการศึกษาออกมาเป็นพระราชบัญญัติในแนวประชาพิจารณนะ์ตามเฟช่นสมัยนิยมเนี่ย ก็ได้เข้าความประัติสมเด็จไปเจือจุ๋หัวทรงประธานพระบรมราช ว, ว่าดออกมาเจรความก็อยู่สามคำนี้คือเก่งดีมีความสุขแลว้วดีเก่งมีความสุขซึดาวว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตบทสวดตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าออกมาจากพระคุณพระมุขคุณตรงนี้เองแต่ว่าไปถึงอีกช่วงหนึ่งที่ท่านบอกว่าหนึ่งในพระไถ่ท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบัวพันผัวสัวคนตะกำจร หมายความว่าคนที่มีปัญญาสมบูรณ์เนี่ยจิตใจก็จะบริสุทธิ์สมบูรณ์เพราะภายในจิตใจของท่านที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะมีความช่ำชื่นเบิกบานด้วยกรุณาคือมองสรรพสัตว์โดยมุมเดียวคือโดยกรุณาแต่นั่นเองก่อนี้ทํานบุฟังลองเทียบเคียงเราเองนะอยู่ท่ามกลางรูกหลานซึ่งก็บางน่ารักเนี่ย แกส่งแกส่งเสียงดังแกเล่นแกอะไรแต่เรามองเพลิดเพลิน เ, เรามองยิ้มยมิ้มแจ่มใสเบิกบานใจเถือในลูกหลานมีความสุขนั่นก็คือจิตที่เมตตากเกลณะเราจะมองด้วยเมตตาด้วยเกลนะก็ตามนะฮะแต่ว่าพอลูกหลานเบิกบานเราก็มีมุติตา ก, กับแก่เลยก็แจ่มชินพระพุทธเจ้าท่านมองสัตว์โลกในลนักษณะอย่างนั้นเหมืะการจะเรียงอย่างไงเนี่ยก็เรียงได้นะฮะ สมมติว่าเรียนว่าดีเก่งแล้วก็มีความสุขดีก็คืออะไรล่ะก็คือบริสุทธิ์เก่งคืออะไรเก่งก็คือมีปัญญามีความสุขก็คืออะไรคือใจที่ช่ำชืดเบิกบานโดยกรุณาทีนี้สมมติว่าจะเรียงว่าเก่งดีมีความสุขมันก็คือเก่งก็คือปัญญาดีก็คือบริสุทธิ์ มีความสุขก็คือมีใจกรุณาก็เป็นพระพุทธคุณที่เราสวดสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าสมมติว่าใช้คาว่าดีเก่งมีความสุขก็คืออรหังสมาสุโทโธปกวะวาอรหังแปลว่าเป็นพระอระหันต์คือบริสุทธิ์สมาสุโทโธก็คือสะจโรดีสะจโรชอบโดยปรองเองก็เป็นปัญญา เขก็ว่าก็มีความเบิกบานนะมีความเชื่มชื่นบกบานแล้วก็จำแนกแจกจ่ายทากันแล้วแต่จะแปลก็แปลได้หลายความหม่ทีนี้ถ้าากว่าเราพูดว่าเก่งดีแล้วก็มีความสุขก็คือพุทโธสุสทุโธทการุณามาณโภบภาษาบาลีนะฮก็คือแปลมาทั้งสี่บันทัดเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า สังคมเรานี่ที่จริงเราทราบซึ้งในประพุทธคุณดูมากแล้วก็บางยุบางสมัยมันใช้ไปในแนวค่อนข้างแรังเช่นหัวใจพระตัตร์ยก็ใช้คำว่าอิสวาสุอี ก, ก็คืออิติปิโภสภะกวาสวะคือสวาคาตวัตาธรรมโมสุ ก, ก็คือสุ ป, ปิะบโนภะตโตสาวะสังโค แต่เรามองย้อนไปอดีตการที่นานไกลนะมีอิทิพิสโสแปดทิศอิทธิพิสโสถอยหลังอิทธิพิสโสแปด้านอะไรต่วเยอะจังในะคำว่าอิทิพิสโสนะแต่มาเองมองอีกแนวหนึ่งนะฮะว่าคนโบราณเนะี่ยท่านฉลาดท่านหาวิธีฝึกสติให้แก่คนแต่ว่าเอาครั้งในเะข้ามาหลอก เพราะถ่ากว่าคนสามารถที่จะท่องอิติปิโสถอยหลังกระไปกระบาะทะยังไปทะยังมาเป็นแปดชิดแปดด้านได้เลยได้เนี่ยนะแสดงความจำดีมากสติดีมากมันก็เป็นการพัฒนาจิตคนไปด้วยในขณะนั้นแหละมันมีศรัทธามันมีความเพียรมันมีสติมันมีสมาธิมันมีปัญญาเพิ่มขึ้นโดยลาดับคือเรียกว่าลมอินทรีย์ ยังด้วยกวิธีการของปุญญาตยายหรือบุรปาจา์เนี่ยท่านฉลาดท่านมีวิธีอ่อยเยือพอสมควรเพราะว่าโดยวิธีภาวะในการศึกษาพระพุทธศาสนาของคนเราก็มักจะมองผลที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ท, ที่ตัวเองสัมผัสได้มีความพอใจยินดีที่จะได้สัมผัส เพราะงัน้น แ, แนวครั้งครังเนี่ยมันจึงมีอยู่เยอะทีนี้ในที่สุดก็มาสรุปว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกรูณาดังสาครนปวดหมูประชากรมละโอกระกันดักกรุณาดังสาครก็คือกรุนามาณโวมาณโวก็อาจจะแปลว่าทะเลหลวงหรือว่ามหาสมุทรหรือว่าแม่น้ำใหญ่ก็ได้นะแล้วแต่มัน พูดในประเด็นของเป็นที่อิงอาศัยหล่อเลี้ยงรักษาสรรพสัตว์สรพ ร, สรพสิ่งที่อยู่ในทะเลหลวงแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกก็ถูกทะเลซัดขึ้นฝังคือไม่ได้เก็บรักษาไว้ผพระกรณาของพระพุทธเจ้านั้น ในภาคของการบริหารงานบุคคลมันมีหลักนิกะหะปะกะหะคือการขมคนที่ควรขมยกย่องคนที่ควรยกย่องวันก่อนไปเจอคําที่เขาสวดเคราะดีนะฮะแต่ก็งงก็นิเคราะประเคราะนิเคราะก็คือตําหนิอิเตียนทุ่มปิงห้ามปรามอะไรก็ตามประเคราะก็คือยกย่องสนเสริมมันมาจากนิกะหะปะกะหนะนั่นแหละ แต่เราก็คใช้แนวสันนิษฐ์ก็ใช้ในเคราะห์ประเคราะห์ตามควรเป็นการสรรเสริญบุญญาธิการของสถาบันประมากษัตริย์ได้ยินครั้งแรกก็เลยงงเอ๊ะแปลว่าไงไม่เคยได้ยินแต่ก็ต้องไปดูคําแปล อ, อ๋อก็ภาษาไทยนีย่ค่อนข้างรุ่มรวยภาษานะรุ่งรวยภาษาแล้วก็นํามาใช้ได้หลากหลายนะชื่นใจ ตดยผู้ประชากรก็คือประชาชนทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่าคือมานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนสัตรุอยู่เรื่อยคือดูแล้วท่านเด็กจังนะฮะอายุสามสิบห้าเนี่ยเราหกสิบหกแล้วไม่ได้เรื่องเลยท่นสามสิบห้าเต็มในท่านสัสรุแต่๋ยวก็เจอพระนุ่มๆรุ่นลูกศิษย์อายุสามสิบห้าเราก็มองเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทันที โอ้พระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงอายุแค่สามหกต้นต้นตะนั้นเองสอนพวกประชาสอนพวกนักบวชหมดงอกแล้วพระมหาสารเศรษฐีมาสารเทศพระองค์เดียวนะฮะบุกลุยไปตั้งสองแคว้นระยะเวลาแค่เจ็ดเดือนนะนั้นเนองยังนึกว่าท้าพระเจ้าเคือขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย แต่ก็ไม่แน่อีกนะคนปัจจุบันเพราะว่าธรรมะในพุทธศาสดาที่จริงแล้วมันก็ทวนกระแสพอสมควรแต่จิตใจของคนไม่หนักแน่นมันคงจริงแล้วก็ยากเพราะอะไรเพราะมุ่งไปที่มะละโอคะกันดานโอคะีนแปลว่าคั้วน้ําละคั้วน้ําคือกิเลสเป็นการเรียกกิเลสก็แล้วแต่จะเรียก คาว่าโอคาในบางทีก็เรียกโยคะบางทีก็เรียกว่าคันทะบางทีก็เรียกอาสวะในที่นี้ก็เรียกโอคะเป็นการพูดตะกิเล่มันเหมือนกับพวกน้ําที่พัดผันคือคนเราพอตกไปพูดในกันณีของการพัดผันนะน ะ, น ะ, นะบางครั้งก็ส่งแสดงในรูปของไผ่สมบคนซึ่งตกลงไปในทะเลคืออย่าลืมนะฮะว่าทะเลหลวมเนี่ยเป็นอุปมาอุปมาใช้มุมไหนก็ได้ เพราะคำว่าโอคะในที่นี้แปลว่วงน้ำคือกิเลสซึ่งก็ไม่หยุดมาจากโกคหดลงตรงยกตัวอย่างว่าภัยในชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมด้วยนั่นแหละภัยประการแรกนั้นเหมือนก็คลื่นลักษณะคลื่นก็คืออารมณ์ที่อ่อนไหวเวลากระทบกระแทกใจแล้วจะเกิดโกรธ ปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่อุทนจนเป็นนักเรียนก็ทนการอบรมสั่งสอนครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นพระก็ทนการอบรมสั่งสอนของอุปัชฌายะอาจารย์ไม่ได้เกิดแข็งกร้าวเกิดดื้อดึงขึ้นมาทีนี้ยุ่งเลยพู้กันยากนั่นก็แสดงให้เห็นทั้งลักษณะของภัยคือขึ้น บางทีมันไพ่คือน้ำบนเราลองดูน้ำบนดูคนตกลงไปเนี่ยมันก็หมุนอย่างนั้นนี่ยขึ้นมาได้ยากพลสัตว์โลกเราก็สัรรพสัตว์เนี่ยมันวนหมุนวนอยู่ในกรรมคุณทั้งห้ารูเสียงดินรถปฐพีที่น่าใคร่บางไม่น่าใคร่บางวนอยู่นั้น น, นนะะคือถ้าใคร่ก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าผองเมื่อไรจบไม่มีคมําตอบถ้าเราไม่ชอบ แล้วก็เกิดความโกรธความมาาักค่าพยาบาทก็วุ่นวายไปอีกเรื่องหนึ่งอีพายประการหนึ่งนั้นก็คือภัยเหมือนกับเจอระเข้คือเห็นแก่กินนะพวกเนียเห็นแย่กินเห็นแก่กกปากแก่ท้องเจระเข้นี่ตายเพราะกินเนี่ยอ๋อยืดพักเดียวบางทีต้องการจะทําลายเจระเข้ลูกฟักต้มให้ร้อนแล้วก็โยนลงไปแกก็งับปับเข้าไปเลยกลืนลูกฟักก็ไปแตกล อ, อยเป็นแพร่เลย เห็นก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากหิวโหยไม่ได้พอล่อเด็ ก, กินแล้วก็เสร็จทุกทีอีกหนึ่งก็คือเพศตรงกันข้ามกัแล้วแต่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเหมือนเหมือนก็ปลาร้ายบางทีเราก็แปลว่าปลาฉลามร้ายก็แสดงว่าทะเลนะฮะถ้าแปลฉลามร้ายเนี่ยท้องน้ําเค็มเพราะว่าฉลามเป็นรามนักเค็มนั่นก็คือแนวที่อุปมาสอนให้เห็นคือต้องเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นรูปเป็นนามธรรม เวลาพระเจ้าจะสั่งสอนพระเจ้าก็ต้องอาศัยรูปธรรมที่สามารถสื่อสารกับคนตรงนั้นได้ก็แล้วแต่จะยกอะไรขึ้นมาเพราะอย่างที่บอกเอาไว้เนี่ยคำว่าพวกน้ําคือกิเลสเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอว่าคนถะแรีว่าเครื่องร้อยรัดอาจจะเรียกว่าโยค่าไปประกอบหรือขังสัตว์เอาไว้เรียกว่าอสวะรป์ว่าหมักหมมขึ้นไปในจิตใจของคนเราก็ได้ก็เรียกอะไรแล้วแต่จะเรียกอะเราได้ยินชื่อเรียกเยอะเลย แต่ลองสังเกตว่าชื่อที่เรียกเนี่ยมันจะมีความเป็นรูปธรรมไปเสริมคนมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นอยู่และแกก็จินตนาการได้คือมนุษย์เรานั้นควรจะมีจินตนาการเพราะแนวของพทธเจ้าจะเสริมจินตนาการมันพีกการสอนในสมัยปัจจุบันการสอนในสมัยปัจจุบันนั้นจะมีอะไรล่ะแผ่นไซส์ภาพสไลด์วิดีโออะไรแต่เข้ามาประกอบเยอะเลย มันเพลินดีนะฮะแต่ว่ามนุษย์จะขาดจินตนาการจะขาดความคิดซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงในระยะยาวคกล้ๆกับเวลาเนี้ยเราสยบติดกับเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วคนก็ไม่เคคิดอะไรก็ถามคอมพิวเตอร์เลยมันอันตรายระยะยาวๆและในที่สุดในสมองคนจะไม่มีการพัฒนาแม้จะคิดเลขเป็นงสองสามหลักก็ กดถามของคอมพิวเตอร์แล้วอย่างนี้ก็แย่แล้วแต่นั้นแนวารสอนเนี่ยแม้จะอาศัยรูปธรรมแต่ว่ามุ่งเน้นให้นึกถึงสิ่งที่เป็นานมามธรรมคือองค์ธรรมที่ทรงแสดงสังสอนต้องฟังทั้หลายแต่รบรวนพระทาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเมตงามไพบูลย์ในธรรมจุมิตรท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี